เหตุไรคนที่ไม่ดีจึงมักจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วในฉบับก่อนว่าคนบางคนมักจะประสบแต่คนที่ไม่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ซึ่งในที่สุดเป็นเหตุทำให้คนประเภทนี้มองคนในแง่ร้า ย, ายมองโลกในแง่ร้า ย, ายเมื่อนึกถึงคนอื่นที่ไรก็คอยแต่จะนึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสมอเลยทำให้เขาต้องไปอยู่ในโลกที่มืดทั้งๆ ท, ที่โลกนี้คนดีก็มีอยู่มากมายและสิ่งแวดล้อมที่จะให้ความสุขก็หาได้ไม่ยากถ้าหากเป็นคนที่รู้จักมองโลกในแง่ดีอะไรคือต้นเหตุที่ทาให้บุคคลประเภทนี้ต้องอยู่ในมุมที่มืด ปัญหาข้อนี้เทพเจ้าองค์ที่ได้มาเข้าส่งคุณสีเพนตามที่ข้าพเจ้าได้เล่าไว้แล้วในฉบับก่อนนั้นท่านได้แนะเอาไว้แต่เพียงคร่าวๆซึ่งทําให้ข้าพเจ้ายังไม่กระจ่างเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงให้คุณสีเพนเข้าไปเรียนถามเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นชาวอเมริกันแต่ต่อมาภายหลังได้เข้ามาศึกษาปรัชญาต่างๆของอินเดียจนกระทั่งมีความรู้แต่ฉาน และสามารถเข้าสมาธิได้ดีด้วยเทพเจ้าองค์นี้ได้กรุณาอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังโดยผ่านคุณสีเพนซึ่งมีหัวข้อพอที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. การที่คนบางคนเกิดมาพบแต่สิ่งที่ไม่ดีท่านบอกว่าอันนี้เป็นเพราะวิบากของอกุศลกรรมชักจูงให้เป็นเช่นนี้ท่านให้ข้อสังเกตว่า คนที่สร้างกรรมชั่วมาจะในทางไหนก็ตามวิบากของกรรมชั่วประเภทนั้นย่อมจะเกิดขึ้นในสันดานและจากวิบากอันนี้เองก็จะทำให้คนคนนั้นนึกคิดแต่ในทางไม่ดีและจากความนึกคิดอันนี้ก็จะชักจูงให้ไปพบแต่คนที่ไม่ดีเหมือนกันอันที่จริงคนในโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามก็ย่อมมีโอกาสที่จะพบทั้งคนดีและไม่ดีเท่าๆกัน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 ท่านได้เน้นให้ฟังว่าความประพฤติในปัจจุบันคือตัวการที่สําคัญที่สุดที่จะชักจูงคนเราให้ไปพบกับคนดีหรือคนไม่ดีและขอให้สังเกตว่าความประพฤติก็ดีแนวความคิดต่างๆก็ดีจะเป็นไปในทางไหนก็สุดแล้วแต่วิบากคนที่สะสมวิบากแห่งความชั่วไว้มากก็ย่อมจะนึกคิดแต่ในทางชั่ว ประพฤติแต่ในทางชั่วและก็มักจะต้องพบกับสิ่งชั่วต่างๆส่วนคนที่สะสมวิบากขหงความดีไว้มากเขาก็จะนึกคิดแต่ในทางดีได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีครั้นแล้วความดีในตัวเขาก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นไปอันหนึ่งท่านได้ให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่า อำนาจแห่งความดึงดูดของวิบากที่รุนแรงนั้นมีอิทธิพลมากคนบางคนซึ่งเคยเป็นคู่สร้างกันมาได้มีความรักต่อกันมาลึกซึ้งในชาติก่อนๆบุคคลประเภทนี้แม้จะเกิดกันคนละมุมโลกก็มักจะมีเหตุการณ์ผลักดันให้มาพบกันจนได้ท่านบอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะคือยังไม่เข้าใจในเรื่องพลังที่ออกมาจากวิบากเขาก็อาจจะไม่เชื่อ แต่สำหรับคนที่ซึ้งในเรื่องพลังของวิบากจะไม่มีใครสงสัยเลยอำนาจแห่งแม่เหล็กซึ่งอยู่ที่คั้วโลกย่อมจะมีอิทธิพลทำให้เข็มทิศ ต, ต, ต้องหันไปทางทิศเหนือเสมอคนที่ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ก็อมองไม่เห็นเลยว่าอำนาจแม่เหล็กที่ว่านี้มันมีได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและการที่คนเราไม่หลุดไปจากโลกทั้งๆ ท, ที่อยู่ที่ผิวโลกและโลกก็มีอัตราแห่งความหมุนเร็วมาก ทั้งนี้ก็เพราะความดึงดูดของโลกซึ่งมันดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้ติดอยู่กับโลกโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันเลยท่านบอกว่าพลังของวิบากที่สะสมไว้มากมันมีอำนาจดึงดูดที่พิเศษและอัศ จ, จรรย์ยิ่งกว่าอำนาจของแม่เหล็กและอำนาจแห่งความดึงดูดของโลกหลายเท่าการที่คนเราทุกคนเมื่อตายแล้ววิญญาณจะไปเกิดในที่ไหนจะไปอยู่สุขติหรือทุกขติ จะไปอยู่ภูมิไหนพบไหนก็เป็นไปตามกฎแห่งความดึงดูดของวิบากในเรื่องนี้สำหรับผู้ได้ทิพยะจักษุจะมองเห็นความจริงได้อย่างแจ่มแจ้งมากมันคล้ายๆกับเรามองเห็นคนขี้เมาเมื่อถึงเวลาดื่มเราก็รู้ทันทีว่าเมื่อเขาออกจากบ้านของเขาแล้วจะไปไหนที่เรารู้ก็เพราะเคยเห็นเขาทาอย่างนั้นบ่อย ในธํานองเดียวกันผู้ที่ได้ทิพยะจักสุซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนนั้นตายคนนี้ตายแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนด้วยการมองเห็นตัวอย่างเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงทำให้มองเห็นชัดว่าอำนาจแห่งวิบากที่แต่ละคนสร้างเอาไว้นั้นคืออำนาจดึงดูดที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์มากเมื่อตายแล้วใครจะไปเกิดอยู่ที่ไหนมันเป็นไปตามวิบากของแต่ละบุคคลจริง และในเมื่อเข้าใจเรื่องโอปปัติกะแจมแจ้งก็ทำให้มองเห็นได้ง่ายว่าคนในโลกมนุษย์ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ใครจะอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งความดึงดูดของวิบากอันหนึ่งเนื่องจากเมื่อสมัยท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของไฟฟ้าถ้ามันเหมือนกันมันจะผลักกันแต่ถ้าต่างชนิดกันมันจะดึงดูดเข้าหากันทั้งนี้เพราะต้องการความสมดุลในทานองเดียวกับผู้หญิงและผู้ชายถ้าอยู่ตามลำพังต่างฝ่ายก็ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อพบกันจึงดึงดูดเข้าหากัน ส่วนในเรื่องอำนาจแห่งความดึงดูดของวิบากในแง่หนึ่งจะกล่าวว่าเหมือนกับไฟฟ้าบวกไฟฟ้าลบก็ได้ซึ่งหมายความว่าการที่คนทั้งสองดึงดูดเข้าหากันเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างมองเห็นว่าตัวเองจะได้รับสิ่งที่ต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งความสมบูรณ์หรือความสมดุลจึงจะเกิดขึ้นแต่อีกแง่หนึ่งต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากัน ซึ่งหลักอันนี้ใช้ได้กว้างขวางมากคนที่ทำบาปและเป็นบาปประเภทไหนเมื่อตายแล้วจะไปอยู่กับคนที่ทำบาปประเภทนั้นๆคนที่ทำบุญก็เหมือนกันเมื่อทำบุญอย่างเดียวกันย่อมจะดึงดูดเข้าหากันเมื่อท่านได้แนะมาอย่างนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพุทธพจน์ขึ้นมาได้ทันทีซึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า คนที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยการเสสละและสมบูรณ์ด้วยปัญญาเหมือนกันเมื่อตายแล้วเกิดมาอีกจะได้พบกันเสมอซึ่งหลักอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ขหบดีคนหนึ่งชื่อว่านากุล2 การที่คนบางคนเกิดมาประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะวิบากของกรรมชั่วแต่ตรงกันข้ามเนื่องจากวิบากของความดีที่สูงส่งและเนื่องจากแรงอธิษฐานที่ต้องการจะเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งที่เลวร้ายต่างๆเพื่อสร้างความอดทนสร้างนิสัยเสียสละและเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลําบากที่อยู่ในความมืดให้พ้นทุกข์และให้เข้ามาอยู่ในแสงสว่าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันก็คือท่านมหาตมะคาญทีผู้นำแห่งอินเดียและเป็นมหาบุรุษของโลกท่านผู้นี้ถ้าหากท่านต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายท่านก็ทำได้แต่แล้วท่านไม่ทำท่านกลับมามีชีวิตอยู่อย่างคนยากจนและได้พบกับความลำบากต่างๆซึ่งคนธรรมดาไม่มีใครที่จะทนได้การที่พระพุทธเจ้าต้องจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ และในที่สุดก็ต้องสละราชสมบัติออกทรงผนวดมีชีวิตเหมือนกับคนขอทานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เกิดจากวิบากของกรรมชั่วแต่หากเกิดจากวิบากของกรรมดีที่สูงส่งยอชวอชิงตันคารเวอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวนิกโกรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของโลกระธานานทธบดีลิงคอนหรือโดยที่สุดพระมาหากษัตริย์ของไทยบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าตางสินมหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนมีบุญทั้งสิน้นแต่ชีวิตในตอนแรกก็เป็นคนธรรมดาสามัญหมอบางคนต้องเข้าไปคลุกคลีกับคนไข้และหมอบางคนอุตส่าห์ไปอยู่ในที่ธุระกันดารหรือนักเสียสละอื่นๆบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดที่ต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีพบสิ่งที่เลวร้ายต่างๆ ก็เนื่องจากวิบากของกุศลกรรมที่สูงเยี่ยงพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นอย่าลงโทษเสมอไปว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวหรือเกิดมายากจนจะต้องเป็นคนที่ทำบาปเสมอไปในสมัยปัจจุบันคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดกันอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าพูดถึงคนมีบุญก็มักจะหมายความถึงแต่คนที่เกิดในตระกูลที่สูง พ่อแม่มั่งมีเกิดมามีความสะดวกสบายต่างๆส่วนคนที่เกิดในตระกูลที่พ่อแม่ยากจนหรือเกิดในถิ่นคันดานไม่มีความเจริญก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีบุญและถือว่าที่ต้องเกิดมาอาภัพเช่นนั้นเป็นเพราะบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้ในชาติก่อนซึ่งบรรดาคนทั้งหลายที่ถือเช่นนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาปอะไรที่ต้องทำให้เกิดมาเป็นอย่างนี้ และเนื่องจากคนที่ยากจนมีจำนวนมากกว่าคนมั่งมีและโดยปกติใครๆก็ไม่อยากให้ถูกประนามว่าตนเองเป็นคนมีบาปและในเมื่อหันมาพิจารณาดูคนมั่งมีซึ่งถือกันว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดแต่ฐานะทางจิตใจเขาก็มองเห็นว่าก็ไม่ดีไปกว่าคนยากจนไม่สมกับที่เรียกว่าคนมีบุญมาเกิดคนที่ยากจนเสอีกที่มีจิตใจสูงกลับมีมากกว่า และจากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ร่ำรวยกันทุกวันนี้มักจะต้องโกงหรือมีความฉลาดในการเอาเปรียบคนอื่นอย่างมากจากข้อเท็จจริงต่างๆดังที่กล่าวมานี่แหละจึงทําให้เกิดความสับสนไม่อาจจะทําให้เชื่อได้อย่างสนิทใจว่าถ้าคนไหนเกิดมา ในตระกูลสูงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือคนที่มีบุญมาเกิดส่วนคนที่เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ยากจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีคือคนมีบาปมาเกิดเพราะตัวอย่างมีอยู่อย่างนี้จึงทำให้คนสมัยปัจจุบันเห็นว่าคําสอนในทางศาสนาไม่เป็นความจริงครั้นแล้วก็หันไปนิยมความคิดเห็นในทางวัตถุนิยมซึ่งเขาถือว่าการที่เราจะโกงหรือเอาเปรียบใคร หรือจะทำให้ใครได้รับความลำบากนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนี้ใครดีใครได้ใครแข็งแรงกว่าคนนั้นอยู่คนไหนอ่อนแอกว่าคนนั้นก็ต้องตายไปความคิดเห็นในทํานองนี้มีแพร่หลายทั่วไปและนับเป็นความคิดเห็นที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมากแต่จากคำตอบของเทพเจ้าดังที่ได้อธิบายมานี้ หวังว่าคงจะให้ความกระจ่างในเรื่องความสับสนในเรื่องนี้ได้ดีจากเด็กตัวหน้อยที่อ่อนแอรไร่เรียวแรงแตับโตจนมาเป็นคนขึ้นนาดนี้ต้องหมดเปลือเงินทองต้องถุ่มเท่ทั้งกายใจ คนแค่ในใครทำให้เราได้เท่าเธออยาดเงืและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้ง จะเชื่อฟังจะไม่ทำให้แม่เสียใจ